คำถามเกี่ยวกับวิธีในการที่จะดูแลคนที่ทำงานให้เราเนี่ยดูแลอย่างไรตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาถึงจะทำงานให้กับเราได้อย่างทุ่มเทสุดหัวใจและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกันและกันค่ะนวัส ก, การเรียนถามาการดูแลการให้การปกครองที่ดี นะต่อลูกน้องเราหรือว่าทีมงานผู้ร่วมงานของเราเนี่ยหลักอย่างหนึ่งก็คือการที่เราให้ความจริงใจกับเขานะมีความจริงใจแล้วก็มีการกระทาที่ตรงไปตรงมานะการที่ผู้จ้างบอกว่าเราไม่กล่าวรับหลังเขาด้วยสิ่งที่ไม่ดีนะรจริงๆหน้าที่ของอ เจ้านายต่อลูกน้องหน้าที่ของลูกน้องต่อเจ้านายเนี่ยผู้เจ้าก็ได้มนหยัดไว้เหมือนกัน <Okay. S 1> นะการทีเ่เรามีผู้ธต้บังคบบัญชาเราก็ต้องรู้จักให้เข้าเนี่ยทำงานตามกําลังนะรู้จักที่จะให้เขาพักผ่อนะตามการตามสมัยนะในเวลาที่เขาควรได้รับการพักผ่อนก็ควรจะให้โอกาสเขาได้พักผ่อนนะม <Okay. S 1> นะุมหนึ่งที่ก็ อ่าเป็นประเด็นที่แปลกคนระูเจ้าบอกว่ารู้จักให้ของกินที่มีรสชาติแปลกประหลาดนะอาจจะทําให้ผู้ดไต้บังคับบัญชารู้สึกว่าเจ้านายเราเนี่ยใส่ใจเราเนะใส่ใจเราถึงความรู้สึกนะอะไรต่ออะไรของเราเนี่ยคงจะเป็นเง่มุมในเรื่องของความละเอียดอ่อนนะทําให้เกิดมุมความคิดที่ดีต่อกัน ออทรงกราดไปอย่างนี้เลยนะคะว่าให้ให้อาหารอาหารที่มีรสชาติแปลกประหลาดนะอาจจะรสชาติอร่อยไม่สามารถแปลได้อย่างอื่นเลยนอกจากแปลตรงตัวว่าเป็นอาหารแปลกๆใช่ใ่อาหารแปลกๆอาจจะซื้อของจากต่างจังหวัดนำมาฝากนะลูกน้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดความรู้สึกที่ที่ที่ดีต่อกันเหมือนอาทรมีความเอ้ออาทรมีความเออเฟื้อกันอะไรอย่างนี้นะ ส่วนหลักในเรื่องของการทํางานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเป็นฝักใฝ่แห่งความเจริญไม่เสื่อมช้าก็ได้กลับไปในหลักอริหานยธรรมใช่นะสมาธิเป็นตัวเพื่อความเจริญไม่เสื่อมในการที่เราเนี่ยให้ทีมงานเนี่ยมีการประชุมกันให้มากก่อประชุมกันหนึ่งนิดอยู่เพียงใดเนความเจริญก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะการที่มีกิจเนี่ยก็ให้ ให้ทำพร้อมเพียงกันเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันคมีความเคารพในอาวุโสเราจัดลําดับความเคารพกันระหว่างทีมงานกันเนี่ยกายอาวุโสน้อยอาวุโสมากอะไรเนี่ยรู้จักมีความเคารพกันให้เกียรติกันนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการการทําในลักษณะนี้นี่เป็นลักษณะการทําที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความเจริญจะมีกินแรงกันทุกคนจะรู้จักฟังกันให้โอกาสในความเห็นกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างก็พูดแทรกแซงกันไปอย่างนี้โดยไม่ฟังความเห็นกั น, นคือเหมือนกับว่าเจ้านายนีให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมะนะให้ความเป็นธรรมแล้วก็มีระบบที่ดีให้กับลูกน้องให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เกิดการทะเลาะบอกแบงในกลุ่มลูกน้องของกันเองอย่างี้ให้โอกาสที่จะเข้าได้พักผ่อนตามการตามสมัยการให้งานเนี่ยตามกาลัง นะไม่ให้งานเกินกําลังต้องรู้จกักประมาณในความพอดีในงานนะให้เป็นเนะจานา้าไหนต้องต้องมองงานเป็นว่างานขนาดเนี้ยนะลูกน้องเราทําไหวไหมเกินกําลังเขาไหมเกินความสามารถเขาไหมจัดคนเนี่ยให้เหมาะสมกับงานคนนี้น่าจะเหมาะสมกับงานประเภทใดประสานงานติดต่อคนนี้เหมาะสมกับงานประเภทใดน ะ, <ม>ะงานเป็นกิจวัตรประจําวันงานตามวงล้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง จัดสรรคนรู้ความสามารถของลูกน้องลูกน้องเราเนี่ยมีความสามารถแบบไหนอย่างไรอย่างี้ค่ะ <c oughs> ได้เห็นปัจจุบันนี้มีหลายที่ทำงานเหมือนกันนะคะ<ม>ที่นิยมที่จะนิมนต์พระไปแสดงธรรมแล้วก็มักบอกว่าได้ผลดีคือประสิทธิภาพในการทำงานของพนัก ง, งานดีขึ้นท่านได้พบอะไรในลักษณะนี้บ้างไหมคะอ๋อก็ก็บ่อยนะโดยโดยชีวิตของตัวเองก็ถูก มิวนให้ไปแสดงธรรมตามบริษัทแล้วตามโรงงานต่างๆ <Okay. S 2> แล้วก็ใช้เวล า, างานเนี่ยในการแสดงธรรมด้วยซ้ํา <Okay. S 2> โดยที่เจ้าของบริษัทไม่ได้คิดว่าเป็นการาเสียเวลาในการทํางานเพราะการที่เขาสามารถพัฒนาคนให้มีความรักในองค์กรให้มีความสมัครสมานสมัคคีนะ <Okay. S 2> กันเนี่ยนะมันมันได้อะไรขึ้นมาได้ประสิทธิภาพของคนขึ้นมาอีกมากมาย ทดแทนและชดเชยการเสียเวลาเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยการที่เขาเนี่ยเป็นคนระ ง, งับอารมณ์ได้เขาไม่เก็บเรื่องทางบ้านเอามาพัวพันอยู่กับที่ทํางานเพราะรู้จักการวางอารมณ์เป็นฝึกจิตเป็นทำสมาธิเป็นตามความสงบเป็นมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาความทุกข์มันก็ไม่เบียดบังเวลาในการทํางานของ บริษัทนันองค์กรนัน้นๆะ <Okay. S 2> เขาก็มีเวลาให้กับงานได้เต็มที่มีเวลาคิดให้กับงานในบริษัทในองค์กรได้เต็มที่ mm hmm. ใช่ไม้มไม่เอาเวลามาคิดเรื่องส่วนตัวแทนที่จะคิดเรื่องงาน <Okay. S 2> ไม่แบ่งเวลาไปทำธุระส่วนตัวใช่เพราะเขาอ่มีความรับผิดชอบรู้จักที่จะวางอารมณ์ฝึกจิตของตัวเองนะว่าเวลาไหนควรทำอะไรอะไรคือความรับผิดชอบนะเวลาไหนอ ย, อย่างเงี้ย mm hmm. นะ <L an> ก็เท่ากับว่าที่เวลาไปแสดงธรรมตามที่ทํางานต่างๆาส่วนใหญ่จะแสดงในเรื่องของการแก้ความทุกข์แก้ความทุกข์น ะ, ะของของมนุษย์เราของคนเรานี่แหละว่า <L an> เมื่อมีทุกข์แล้วจะแก้อย่างไระนะแล้วก็จะสอนให้เขาเนี่ยมีความสมามัคคีกันะนะสอนว่าความสมามัคคีเนี่ยเป็นเหตุให้หน่วยงานเจริญนะหน่วยงานเจริญเราก็จเจริญด้วยถ้าเราเนี่ยคิดคดตรยศหลังเถาองค์กร เราก็ไม่เจริญองค์กรก็ไม่เจริญนะเสียทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็เห็นหลายองค์กรแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเกินคุ้มคื อ, อในส่วนตัวนี่ก็เคยไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในหลายลักษณะยกตัวอย่างเช่นได้เห็นครอบครัวเรียกเอาลูกที่เพิ่งไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมาฝึกปฏิบัติธรรมในหลักสูตรประมาณพัฒนาตนนี่แหละนะคะแล้วก็ จากการที่เราได้ร่วมในการฝึกนี้ด้วยเนี่ยก็เข้าใจว่าพวกลูกๆทั้งหลายเหล่านี้เมื่อกลับไปเรียนต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจได้แล้วเพราะเขาได้ธรรมะไปคุ้มครองเข า, านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการที่แทนที่เราต้องไปกังวลเขาจะต้องคอยไปดูแลเขาเนี่ยก็ให้ธรรมะเป็นอาภรประดับกายเอาไปคุ้มครองเขาเลยใช่และองค์กรเนี่ยไม่จําเป็นต้องมี ระเบียบอะไรมากเลยถ้าคนดีแล้วเนี่ยเราฝึกคนได้ดีเพราะถึงองค์กรจะสร้างระเบียบอะไรให้เข้มงวดขเข้มแข็งขึ้นมาขนาดไหนถ้าคนไม่ดีเนี่ยมันหาทางซิกแซกหาช่องทางออกใดทางนั้นมีมีเยอะไหมคะองค์กรที่นิมนต์ท่านไปในลักษณะนี้ก็เยอะพอสมควรอค่ะค่ะถ้าสนใจจะนิมนต์ท่านอาจารย์คึกฤท บ้างก็ได้นะคะท่านอยู่ที่วัดนาปราพงคลสิทธิ์นะขออนุญาตนะก็เผื่อว่าคนฟังปุ๊บแหมอยากที่จะนิมนต์ท่านบ้างจังเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปนะคะรู้สึกว่าพระคุณเจ้าีจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าญาติโยมจะหันมาหาธรรมะกันเยอะคือคนเนี่ยพอช่วงนี้เหมือนกับสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมมันเครียดไปหมดนะคะก็อยากจะหาทางออก ใช่ค่ะทั้งออกที่ดีที่สุดก็คือธรรมะค่ะแล้วอย่างกับบรรยากาศที่วัดวันนั้นถามค้างไว้ยังไม่ได้ออกจากปากท่านเองเนี่ยค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากับปัจจุบันกับกับปกติเนี่ยจะคนมาเยอะมากขึ้นก็เยอะมากขึ้นก็ดูแล้วคนไทยเราก็ยังชอบเข้าวัดทำบุญอยู่ยังชอบที่จะฟังเทศฟังธรรมแล้โดยลักษณะวัดของอาตมาเนี่ยใกล้กับกรุงเทพแต่ก็จะมีคนกรุงเทพเข้ามาค่อนข้างเยอะ <c oughs> เป็นคนที่ก็มีการศึกษามีดูแล้วก็คนกรุงเทพก็มีความสนใจในธรรมะค่อนข้างมาก <c oughs> แต่เพียงเราอาจจะไม่ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงออกจากการที่ท่านได้สังเกตาาจริงหรือไม่คะที่เขาบอกว่าระยะหลังเนี่ยคนสมัยใหม่คนมีการศึกษาเข้าวัดมากขึ้นาา ก, ก, ก็เท่าที่เห็นก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ันก็เป็นแค่ แค่วันอาตมาที่เดียวนะเราก็คง <Okay. S 2> จะไม่สามารถมองได้ได้ภาพกว้างพอ ด, ดีได้ได้ทราบมา mm hmm. ในส่วนตัวนะคะแล้วก็จากการที่เราติดตามสื่อสารมวลชนเนี่ยจะเห็นคนบางทีเป็นคนมีสถานภาพทางสังคมเป็นคนดังนะคะ <c oughs> พูดง่ายๆเนี่ย <c oughs> ก็จะพูดอะไรแล้วก็จะมีการเปิดเผยออกมา mm hmm. ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้กับธรรมเนะื ธรรมะเป็นคนที่ส่งเสริมกิจกรรมธรรมะอย่างกับที่ช่องสามเนี่ยอย่างกับช่วงเทศกาล <Okay. S 1> ก็ยังเห็นมี mm hmm. การจัดกิจกรรมมีนิทศการรู้สึกจะให้คนมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ mm hmm. เปิดให้ประชาชน mm hmm. เข้ามาชมแล้วก็เชิญชวนเอาคนดังๆ ด, ดารงดารา mm hmm. ผู้จัดละคร mm hmm. อะไรพวกนี้นะคะมาร่วมในกิจกรรมก็ mm hmm. เหมือนกับเป็นการจูงใจด้วยกุศโลบายต่างๆ mm hmm. นะคะซึ่งคิดว่าถ้า ถ้าช่วยกันเยอะๆก็คงจะทำให้ประเทศไทยเย็นลงอย่างที่ทุกคนอยากจะให้เป็นนะคะรายการของเราค่ะอยากจะให้ท่านมีส่วนร่วมกับรายการมากๆเลยที่ารายการสันสนีสนทนาโดยเฉพาะช่วงถามโลกตอบธรรมก็อยากจะ ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะเผื่อท่านจะโทรมาฝากคำถามหรือข้อมูลความคิดเห็นต่า ง, างๆที่หมายเลข022690060022690006แล้วก็ถ้าเป็นเบอร์ SMS นะคะ4838106จะเป็นช่องทางที่เราสื่อสารถึงกันได้เพราะว่าทุกวันนี้นี่ถ้าเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเรื่องของการสื่อสารทางเดียวเนี่ยดูเหมือนกับว่าอ่ามันเชยแล้วค่ะ ของที่ทางวัด น, นี้ได้ทำพวกเว็บไซต์อะไรหรื อ, อยังคะก็มีมีบริษัทที่มามาขอทำให้อยู่เหมือนกันก็กำลังทำไม่ทราบว่าเสร็จหรื อ, อยังค่ะทีนี้ได้พูดถึงเรื่องหนังสือคุ้มทรัพย์จากพระโอที่ท่านได้จะใช้คาว่าอะไรดีคะปรับปรุงแก้ไขป ร, ปรับปรุงแก้ไขขึ้นหมายจาก ของเดิมของเดิมซึ่งเป็นคณะของท่านพูทอาทาดที่ทําไวา้ใช่ไหมครตอนนี้ทําเสร็จสักี่เล่มก <c oughs> ็ <c oughs> เสร็จไปเล่มเดียวคือในส่วนเล่มของกลุ่มทรัพย์จ้าพระโอต์ค่ะเท <c oughs> ่าที่สังเกต น, น, นะคะจากการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่คําสอ น, นจะมุ่งเน้นสอนที่ประสงฆ์สาวกใช่ไหมคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะอ๋อใช่ใช่เพราะพระผู้เจ้าจะให้ ให้เวลาให้โอกาสกับสาวกที่เป็นเป็นนักบวชก่อนเพราะถือว่าเขาเนี่ยเสียสละทางโลกมาแล้วเพราะนั้นถ้าจะสอนธรรมะหรือจะสอนอะไรเนี่ยหรือจะมีความเมตตาเนี่ยพระเจ้าจะเมตตากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนักบวชก่อนแล้วก็ไล่ไปตามลำดับแต่ว่า <c oughs> ที่ที่เป็นคำสอนซึ่งสอนโดยตรงกับพระสงฆ์สาวกเนี่ย ก็สามารถที่จะมาประยุกใช้ใช่ได้ใช่ได้กับครวาตก็ได้ใช่เพราะเวลาผู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยผู้เจ้าบอกท่านแสดงธรรมเนี่ยเผื่อแผ่กับมหาชนทั้งหมดด้วยไม่ถึงแม้จะแสดงธรรมกับคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังคนคนนั้นคนเดียวดังนั้นเนี่ยในบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของวินัยสงฆ์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับครวาต์ด้วยได้เช่นเดียวกันไหมคะได้ได้ไม่ใช่เป็นการเคร่งครัดมากเกินไปใช่ไหมคะเราเราก็พยายามหยิบแง่มุมที่ เราสามารถนำมาใช้ได้นะแล้วก็เหมาะสมกับเราอย่างเงี้ยทำให้ชีวิตเราดีขึ้น<ฆ>แล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับพระได้ได้เหมาะสมถูกต้องขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้หลายคนก็มีคำถาม <c oughs> จะว่าไปมันเป็นคำถามพื้นๆก็จริงแต่ก็น่าสนใจที่ว่าจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนับมาถึงวันนี้ก็ส<ฆ> <2000 S 2> องพันกว่า <2000 S 2> ปีแล้วโลกมันหมุนเร็ว เปลียนแปลงไปเยอะมีความเจริญก้าวหน้าอะไรเกิดขึ้นในโลกเยอะธรรมะของพระพุทธองค์มีส่วนไหนไหมคะที่เรียกว่าพ้นสมัยไปแล้วะะอ่ะค่ะอ๋อออันเนี้ยเป็นเป็นเป็นความเห็นของเราเองที่คิดว่าธรรมะอาจจะล้าสมัยหรืออาจจะไม่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอ่อเป็นธรรมะเป็นความรู้ที่พิเศษ กว่าความรู้ทั่วไปในทั้งโลกทั้งหมด <Okay. S 2> เพราะท่านบอกคำพูดของท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลา <Okay. S 2> เป็นสัจจะคือความจริงถูกต้องตรงจริงตลอดกาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเรายังไม่เคยศึกษาเราอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าเราเข้ามาศึกษาปุ๊บเราจะเริ่มมองออกว่าอ๋อธรรมะจริงๆนั้นเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ สงสัยเนี่ยก็ลองตั้งคำถามมาเนี่คำถามของท่านเป็นคำถามที่ท้าทายเนี่ยนะค ะ, ะรับรองว่าจะมีคำตอบอโดยหลักพุทธวจนะเนี่ยแน่นอนโดยหลักพระพุทธวจนะแน่นอนนะคะสำหรับประเด็นจริงๆในช่วงถามโลตอบธรรมที่เราถามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้คนเข้าทำงานให้กับเราแบบทุ่มเทหัวจิตหัวใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้มีสอนไว้อย่างไรบ้างหรือไม่ก็ ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าการที่จะดูแลคนที่ทำงานด้วยให้เขามีธรรมะอยู่ในหัวใจแล้วเราก็ให้ธรรมะแก่เขาเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ดี แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของความสําเร็จหน่วยงานไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าหน่วยงานเรามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่จะลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการพัฒนาคนโดยใช้ธรรมะพัฒนา mm hmm. ก็น่าจะดีนะคะ <See. S 1> เพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการพัฒนาปุ๊บก็มักจะไปคิดถึงว่าต้องเอาเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ mm hmm. เข้ามา mm hmm. เรื่องของอะไรคะ HR Human Resource Management อะไรพวกนี้นะคะ mm hmm. แต่ จริงๆแล้วดิฉันเคยเข้าร่วมในการที่ประธานบริษัทฟอร์ด ม, มาเข้าพบสมัยนั้นคุณทักษิณเดนนายกรัฐมนตรีระหว่างที่คุยกันหัวข้อหนึ่งสำหรับการถามถึงเรื่องความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าที่บริษัทเนี่ยสนใจปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของศาสนาพุทธบอกได้เอาไปใช้ ในการจัดการองค์กรแล้วได้พบว่ามีประสิทธิภาพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะ uh huh. ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังกันเอาไว้นะคะว่าท่านโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นชาวพุทธแต่ท่านจะโชคดีไม่อยากใช้คำว่าโชคดีเลยค่ะมันน่าจะเป็นดีตามเหตุตามผลของมันถ้าท่านสนใจหลักของศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้นรายการของเราถามโลกตอบธรรมจะมีมาให้ความกระจ่างให้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์กันวันละเล็กวันละน้อย